ปาราชิกสิกขาบทที่6ถามเพราะปกปิดโทษเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะปกปิดโทษเป็นปัจจัยต้องอาบัตสี่อย่างคือ 1. ภิกษุณีรู้อยู่ว่าภิกษุณีต้องทำคือปาราชิกปกปิดไว้ต้องอาบัตปาราชิก 2. ภิกษุณีสงสัยปกปิดไว้ต้องอาบัติทุลจใจสภิกษุปกปิดอาบัติสังฆาทิเศษต้องอาบัติปาจิตตีสี 4. ภิกษุปกปิดอาจารวิบัติต้องอาบัติทุกกฎเพราะปกปิดโทษเป็นปัจจัยต้องอาบัติสี่อย่างเหล่านี้